ขอนอบน้อมดอสัจธรรมมันมีมาก่อนทุกศาสนาในโลกขอกราบบูชาพระ ร, รัตนตรัยพระเทรานุเทระเพื่อนสะาธรรมิกขอเจริญพรแม่ชีญาติโยมทุกคน ก, นก็ฟังตามสบายนะไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจฟังมากก็ได้นะ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 ก็จริงๆแล้วต้องออกตัวก่อนว่าอาตมาไม่ใช่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นคนพิเศษของหลวงพอ่อหรือว่าเป็นคนที่สนิทกับท่านหรือว่ามีความ จ, จําเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นอาตมานะแต่บังเอิญว่ามาอยู่ในจุดนี้ในช่วงที่มาแล้วได้ช่วยพอดีก็เลยก็เลยได้อยู่ในกลุ่มของพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ที่ถวายการดูแลหลวงพอ่อเนาะในกลุ่มหลักๆแล้วจริงๆ คนที่ดูแลหลวงพ่อหลักๆ ก, ก็คือพระอาจารย์โนต้ตกับพระอาจารย์ตุ้มที่ดูแลมาตลอดเจ็ดเดือนเนี่ยอาตมาตามมาหลังสุดนะก่อนหน้าอาจจะมาก็มีท่านอัจารลาที่เข้ามาอยู่ในทีมนี้แล้วก็จริงๆแล้วการดูแลหลวงพ่อนี่ก็อาตมาว่าคนดูแลได้ประโยชน์มากกว่าให้นะสําหรับตัวดอาตมานะก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเป็นยังไงบ้าง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 คือมีทีมทีมหนึ่งเลยที่เหมือนก่อตัวขึ้นมาเพื่อเพื่อดูแลท่านนะอาตมาก็เชื่อว่าทุกคนได้ประโยชน์มากกว่าที่ได้ให้ประโยชน์โดยส่วนตัวอาตมาเนี่ยมีหลายเรื่องนะที่อาตมา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 ท่านนอนอย่างเดียวแล้วก็รับออกซิเจนเกืบตลอดเวลาประมาณวันที่ห้าเนี่ยอาจจะมาถึงได้กราบท่านแต่ก่อนหน้านั้นอมาจารย์มาก็ก็มากราบอาจารย์ตุ้มอาจารย์โน้ตว่าอืมผมตั้งใจมาปฏิบัติแต่ว่าในระยะนี้ถ้าอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยผมผมพร้อมจะช่วยพร้อมจะทําอะไรก็ได้อะไรองีอ้อาจมาก็เลยไ ด, ได้ได้ช่วยอาจารย์ตุ้มในบางเรื่องนะเรื่องทํายา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 เห็นท่านอ่านอย่างตั้งใจอยู่พักหนึ่งแล้วอาดามาก็เลยกราบท่านอีกทีแล้วบอกหลวงพ่อครับอย่าอย่าเพิ่งอ่านเลยเอาไว้เวลาหลวงพ่อว่างๆดีกว่าเพราะว่ามันเยอะผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอาดมาก็ไปเอาคืนมาสุดท้ายเราก็ไม่ได้ถามนะสิ่งที่ตนจะสงสัยจะถามแต่ว่าอาดมาได้คําตอบคืออาดมาสงสัยว่ามันมีจริงๆไหมการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ย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 เจ็บมากจนบางวันทําแผลไม่ได้ก็มีท่านก็แค่บอกว่าวันนี้เจ็บไม่ทําแล้วก็จบไปหลายๆครั้งที่หลวงพ่ออาจจะปวดท้องเรยยนะบางทีเป็นวันนะกว่าที่เราจะรู้ว่าจริงๆหลวงพ่อเจ็บมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เราเราดูไม่ออกเพราะท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะและท่านก็นานๆทีท่านจะสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นอาดมาก็ได้เห็นคนคนหนึ่งที่ต่อสู้กับอาการ ยากๆนะที่เกิดขึ้นกับกายด้วยความเป็นปกติมากๆตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนนะแล้วก็เป็นคนที่รู้ด้วยว่าสุดท้ายของการต่อสู้วันนี้ตายได้แนอนเคยมีโยมมาเยี่ยมมากราบท่านเนาะโดยที่ไม่รู้จักท่านมากนะมาถึงก็มาเขียนถามนะเป็นโยมผู้หญิงนะมาก็อยู่ตรงนั้นเขียนถามว่าหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างป่วยเป็นอะไรเหรอ <c ười> แต่น้ำเสียงไม่มีนะมันเป็นการเขียนธรรมอาจจะใส่เวอร์ไปหน่อยแต่เขียนประมาณนี้แล้วตากเขาก็ยิ้มแย้มนะเพราะวันนั้นช่วงนั้นหลวงพ่ออาการค่อนข้างดีคือท่านนั่งได้อรรมเห็นหลวงพ่อยิ้มๆแล้วก็เขียนตอบว่าเป็นมะเร็งตายแน่นอนไม่มีทางหายเขาก็อึ้งนิดนึงนะแต่หลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็ยิ้มๆเออเท่านี้นะบาย เดี๋มีอีกครั้งหนึ่งมีโยมมาจากที่ไหนไม่รู้แหละมากราบหลวงพ่อแล้วก็ไปไปคุยกับอาจารย์นโนตว่าโอ้ยอยากได้ของดีของหลวงพ่อแต่ารย์คืออะไรของดีของดีพอดีที่บ้านมีคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งอยากจะได้ของดีเพื่อที่เผื่อว่าอาการจะดีขึ้นอาจารย์นโนธบอกโอ้ยไม่ต้องห่วงโยมหลวงพ่อก็เป็นมะเร็งน่ะหลวงพ่อก็กำลังจะตายเหมือนกันโยมไม่ต้องกลัวหรอก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 ต้องนอนพักในความหมายของหมอคือช่วงนี้ร่างกายภูมิต้านทานต่ำมีบางช่วงนะที่หลวงพ่อภูมิต้านทานต่ามากเพราะว่ารับยาบางตัวที่มันจะกดภูมิต้านทานและมีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วป่วยถ้าป่วยก็จะมีปัญหายเยอะหลวงพ่อก็รู้นะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกวันไหนหลวงพ่อมีแรงหลวงพ่อก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้คิดว่านี่คือป่วยอยู่ต้องนอนสมเผื่อว่าวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นอนาตมาคิดว่าหลวงพ่อไม่คิดอย่างนั้นะ เมื่อมีแรงหลวงพ่อก็ทําสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่าคนคนหนึ่งจะทำํำหลายครั้งหลวงพ่อพอมีแรงท่านก็ออกมาเดินจงกรมนะออกมาดูกระรอกนี่กิจกรรมหลักๆที่หลวงพ่อชอบมากนะคือมาดูกระรอกที่มาท่านให้อาหารกระรอกไว้ที่หน้ากุฏิมาลดน้ําต้นไม้อย่างเงี้ยมานั่งอยู่ข้างนอกเฉยๆบางทีก็มีหลวงตากรมมาท่านก็นั่งนั่งชี้โน่นชี้นี่ให้หลวงตากลมดูเอาไม้เกี่ยวเกี่ยเอะไรบางทีเราก็จะบอกว่า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 พอสักพัก น, นึงก็กลับเมืนะ่อคนก็อาจจะมาก็จะคิดบอกบางทีก็เหมือนหลวงพ่ออยากไปเที่ยวเฉยเฉยแหละผมว่านะอาจารย์โนต้ตท่านคงเบื่อแหละซึ่งก็อาจจะเราอาจจะคิดไปเองว่าท่านเบื่อนละ้ท่านคงไม่ได้เบื่อ แ, แต่ท่านมีเหตุผลที่ท่านจะไปแล้วเวลาท่านไปเนี่ยหลายครั้งกลับมาท่านก็จะอาจจะมีเลือดออกในบริเวณคอเนาะบางทีมันมีท่อที่อยู่ข้างในบางทีมันกระเทือนเยอะนะและโยมก็จะเห็นใช่ไหมว่าถนนที่ไปจากที่นี่ไปสู่วัดภูเขาทองมันเป็น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 ท่านจะนอนบาทีมือท่านจะท้าอย่างนี้เนาะท่านจะกระดิกนิ้วเพื่อประค อ, องความรู้สึกตัวตลอดเวลานะถ้าเราถ้าใครได้ไปใกล้ๆจะเห็นไม่อย่งันท่านก็จะขยับมือหรือแม้แ้นท่านก็จะนอนแล้วก็กริกขาเล่นๆนะแทบจะตลอดเวลานะท่านเราจะรู้สึกว่าโอยขนาดเรา <c oughs> เป็นลูกศิษย์เป็นผู้เดินทางเนาะยังไม่ถึงไหนเลยเรายังไม่ขยันเลยแต่ในขณะที่ท่านอยู่อย่างนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า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 คนจำนวนมากเข้าไปหาท่านเยอะๆเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็จะมีโยมคนหนึ่งโยมหมูเนี่ยอย่างเงี้ยนะโยมหมูก็จะรับหน้าที่เป็นเป็นผู้เฝ้าประตูนะแล้วหลายคนก็จะรู้สึกโอไม่ชอบเลยป้าคนนี้ทำไมต้องมาคอยไล่ฉันตลอดเลยนะเข้าไปนิดเดียวก็ไม่ได้นะไอเสร็จถ้าไปไอข้างในนิดนึงก็จะโดนว่าอย่างหนักเลยโยมรู้ไหมว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่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 อาดามาจำได้ว่าประมาณเกือบๆประมาณสามอาทิตย์หรือเกือบเดือนเนี่ยอาดมาถึงได้เข้าไปในห้องนั้นนะก่อนหน้านี้อาดมาพยายามจะไม่เข้าไปมีอะไรอาดมาก็จะส่งให้ให้ท่านอาจารลาหรือว่าให้จัโน้ตให้พระจันตุ้มท่านเอาเข้าไปอย่างครั้งแรกที่อาดามาเข้าไปถวายยาท่านเนี่ยเวลาถวายยาก็จะใช้เขาเรียกว่าไซลิงนะเหมือนเป็นเข็มชิดยาใหญ่ๆนะแล้วก็เทหลวงพ่อก็รู้อาดมาไม่เคยทํานะแล้วก็เก้ะก๊กลางๆพอจะถวายแบบท่านบอกเฮ้ยยัง เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนอารมาลืมนีนะ่ท่านก็บอกนะแล้วท่านก็นั่งยิ้มยิ้มนอนยิ้มยิ้มนิดนึงแล้วท่านก็ไม่ว่าเลยนะพราะอารมาทําเสร็จปั๊บกี่กีกลางๆนี่นะท่านพอเสร็จแล้วท่านก็ยิ้มให้แล้วท่านก็ยกมือไหว้คือเวลาใครมาทําอะไรอย่างนี้ยท่านก็จะให้กําลังใจเขาครั้งแรกๆอย่ามาเคยเปลี่ยนชีวปหายใจหลวงพ่อเนี่ยซึ่งต้องเปลี่ยนทุกสามชั่วโมงนะโยมทุกสามชั่วโมงต้องเปลี่ยนอี่ทีหนึ่งแล้วบางช่วงที่เจ็บคอมากๆนี่มันก็จะเจ็บมากอารมาก็เคยเปลี่ยนนะ ครั้งแรกเปลี่ยนให้หลวงพ่อด้วยความเกรงมากๆนะครั้งแรกท่านไม่เจ็บท่านก็ยกนิ้วไหออพวพอครั้งที่สองไปเปลี่ยนเท่านั้นแหละบิดนิดนึงนะหลวงพ่อสะดุ้งเลยนะท่านเจ็บท่านก็ฮึแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าท่านก็เฉยๆอาตมาก็หันไปมอง จ, จันตุ้มจันทุกไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วมาก็ลองอีกครั้งหนึ่งนะด้วยความเกรงกว่าเดิมปิดอีกทีหลวงพ่อก็อึดอีกทีหนึง่ง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 อย่างพยาบาลที่มาดูแลหลวงพอ่อท่านจะไม่เคยเรียกว่าพยาบาลท่านจะเรียกทุกคนว่าหมออย่างทีมคุณหมอที่มาดูแลหลวงพ่อนะโยมรู้ไหมว่ามีคุณหมออย่างน้อยเท่าที่อาจฉริยรู้นะเจ็ดโรงพยาบาลที่มาช่วยกันดูแลและโยมคิดดูนะว่าการรักษาหลวงพอ่อหลายๆพยาบาลหลายๆคุณหมอนะแต่ละคนมีความสามารถไม่ไม่เหมือนความสามารเฉพาะทางไม่เหมือนกันแต่ทุกคนหวังดีแล้วสอดรับกันดีและทุกคนก็มี กระบวนการรักษาที่ตัวเองมีไว้ในใจให้น้ําหนักไม่เท่ากันเงี้ยแล้วศรัทธาหลวงพ่อแล้วก็คนที่คาดหวังหรือตั้งความหวังในการดูแลหลวงพ่อเนี่ยก็เยอะคนที่หนักคือพระอาจารย์โน้ตที่เป็นคนเหมือนเป็นศูนย์กลางที่คอยประสานกับคุณหมอทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะมีกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งนะที่เขาตั้งท่านตั้งขึ้นมาแล้วก็เวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะอาจจะถ่ายรูป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 ถึงสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่นี่เป็นประจํำนะเพื่อบางทีเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังว่าอาการหลวงพ่อเป็นยังไงหรือว่าเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดในการรักษายเพราะฉะนั้นบางคนอ า, อาจมาก็เคยได้ยินบางคนพูดว่าว่าเหมือนมีพระอยู่ไม่กี่รูปเองที่ดูแลหลวงพ่อเนะี่ยจริงๆแล้วมีมีทีมอีกเยอะมากเลยที่ดูแลอยู่ด้านหลังแลนะทุกคนก็ทำด้วยใจนะรวมทั้งญาติโยมที่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 แบบหนึ่งนะสัตยานว่าท่านคงเป็นพระอริยะท่านคงจะมีบุญคุณต่อโลกท่านคงจะกราบท่านแล้วโลาคงจะได้บุญอะไรอย่งนี้ยแต่ว่าพอคนปฏิบัติไปพักนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าท่านเป็นผู้แนะนำํำแต่ถ้าเราอาจจะมาหรือว่าคนไม่ใช่ว่าอาจจมาปฏิบัติได้ไกลนะแต่ว่าไปสักพักหนึ่งอาจมารู้สึกว่าสำหรับอาจมาแล้วท่านกลายเป็นผู้ที่ยืนยันให้อาจมา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 อารมาก็เชื่อไหมว่าไม่มีใครรู้สึกก่อนนั้นนั้นว่าว่าท่านกําลังจะวันนี้คืออาการท่านหนักมากจนกระทั่งเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่รู้ว่าอาการท่านหนักก่อนนั้นนั้นสองอาทิตย์โดยประมาณท่านก็เคยก้อนเนื้อยก้อนเนี้ยเคยโตจนกระทั่งมันบล็อกทางหายใจแล้วท่านจริงๆท่านหยุดหายใจไปแล้วนะครั้งหนึ่งและครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่วิกฤตมากพอสมควรประมาณสามนาทีได้มั้ง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 อย่างที่เราก็รู้กันนะอาการของหลวงพ่อที่อาจารย์โนและอาจารย์ตุ้มท่านเล่าให้ฟังมันก็เป็นแบบนั้นแหละ <g ül> <g ül> ก็อา จ, จมาก็เล่าเล่าสู่กันฟังนะในบางส่วนที่ที่ได้เห็นนะเผื่อว่าบางคนอาจจะอยากเห็นภาพนั้นบ้างภาพที่อยากจะบอกให้เห็นก็คือว่ามีคนคนนึงนอนเป็นระยะเวลานานๆ น, นะมีคนมาทำอะไรกับตัวเขาเต็มไปหมดเลย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 ก็ขอให้มั่นใจล้ว่าว่าเราเคยเจอคนคนหนึ่งที่ทำได้จริงๆแล้วท่านก็บอกบ่อยๆว่าเราทำได้เหมือนกันก็ขอจบเท่านี้เนาะ